เล้เสียงสวรรค์เล่ม 2, อ hi hi, สองตอนที่หนึ่งพระรูปพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเมื่อคืนวันที่ 1, 2 8บกัน <พ Read. S 2> ยายน 1, พ, 2, พุทธศักราชส5 1 0 <yesterday>